พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบเจดลำดับที่หกโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ยี่สิบแปดสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่าเก่าไม่ถูกที่คันวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบแปด สิงหาคมพุทธศักราช2556ช่วงนี้รู้สึกฟ้าฝนแห้งแล้งแต่เมื่อกี้นี้วันนี้เดินไปบินทบาทไปเห็นปีน้องประชาชนกำลังเอายางออกมาขายกิโลจังไหน ป, ะ, ปะหมวดหมว ด, ด ท, วทิศ41 กี่อย่างสีกียางบเอดไข่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งอยู่ตัวเนี่ยเพราะเขาสิปิดถนนตามไม่จริงหลวงพ่อว่าน่ยยางราคาถูกข้าวราคาถูกอะไรราคาถูกน่ไปปิดถนนเนี่ยมันไม่ถูกหรอถูกหลานยางราคาถูกต้องการเท่าไหร่ ตามไม่จริง45บาทก็น่าจะอยู่ได้ของพ่อว่านะเมื่อกี้นก็ต่ำเกินไป30กว่าบาทข้าวก็เหมือนกันข้าวเนี่ยอยู่ราคาสูงพยุงอยู่ได้แต่ตามไม่จริงข้าวนี่ก็ได้แต่ทางภาคกลางกับภาคเหนือ ทำไมยังไม่ได้ภาคกลางภาคเหนือเพราะเขาทำนาสามดึกสามครั้งภาคกลางภาคเหนือแต่ทางภาคอีสาทนทํานาครั้งเดียวทั้งยังไงยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้เงิน <c oughs> <c oughs> เขาว่าก็าว่าไปตามเขาอย่างนั้นแหะแต่ตามจริงสวนยางนี่ก็หลวงพ่อเห็นเห็นแล้วก็ได้ยินข่าวว่าโชว์ในนู่ น, น มีเรื่องราวปิดถนนทางภาคใต้ปิดทางรถไฟด้วยปิดถนนด้วยหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อโอ้ผี่น้องลูกหลานนี่ทำไม่ถูกทําให้ผี่น้องประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องเดือดร้อนไปหมดหลวงพ่อว่านะหลวงพ่อคิดนะบางทีเมีย แ, แม่บ้านปวดท้อง จะไปคลอดลูกก็ไปไม่ได้บางทีพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยใครเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปหาหมอก็ไปไม่ได้เพราะเขาปิดถนนเดือดร้อนไปทุกหัวละแหง่งครูบาอาจารย์พระสงฆ์จะไปที่ไหนก็ไปไม่ได้พราะอะไรเพราะเขาปิดถนนไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงเราเลือกผู้แทนราชดอใครก็รู้อยู่แล้วผู้แทนของเรา ทำไมผู้แทนของเราไม่ทำงานก็ไปล้อมบ้านผู้แทนมันจึงจะทุกขหลวงพ่อว่านะ่ะ พ, พอเป็นล้อมบ้านผู้แทนเสร็จแล้วก็จับผู้แทนมากระแท้ไหวหวดหลังผู้แทนทำไมเราให้เลือกไปทำงานทำไมไม่ไปทำงานแทนพวกเราทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่ถึงขนาดนี้ท่านไม่คิดเหรอท่านไม่เห็นเหรอเราให้เป็นตัวแทนของเรา แต่ทำไมท่านจะไม่ออกปากออกเสียงไม่เดือดร้อนแทนเรามันจึงจะถูกหลวงพ่อว่านะ่ะไปล้อมบ้านผู้แทนเน่ยตัวแทนของเรากรู้ว่าเป็นใครที่เราเลือกเข้าไปไม่ออกปากออกเสียงนะเลยจากนั้นก็จับมาได้ก็จะไปเคียนแรงมากว่าเคียนพอเป็นพิธีก็พอเอาเสี้ยวไหวหัวหลังสักสองสามทีต่อไปจาไว้ใครจะเป็นผู้แทนรัษดร เหยียบขี่ม้าก็ต้องเหยียบก่อนเพื่อนเหยียบน้ำก็ต้องเหยียบก่อนเพื่อนจึงจะเป็นผู้นำได้ไม่ใช่ว่าจะมาเป็นผู้นำแล้วตีพงชัยอย่างนี้มันจะเป็นผู้นำได้ยังไงพวกเร า, าราษฎรทั้งหลายมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้นไปปิดถนนเหมือนกับพวกเราคันศีรษะไปเกาฝ่าเท้า คิดดูสิมันจะหายคันเหรอคันศีรษะแล้วไปไปเกาฝ่าเท้าใครเป็นผู้บริหารในช่วงนี้กับผู้แทนราชดรเป็นปากเป็นเสียงแทนเราเราจะไปปิดถนนทำไมไปปิดถนนก็เดือดร้อนทุกหัวละแหงสิต้องไปล้อมกรอบบ้านผู้แทนมันจึงจะถูกตรงพ่อว่านะไปล้อมบ้านผู้ว่าก็ไม่ถูกกีเหมือนกันอนะ่ะผู้ว่าไม่ใช่เป็นตัวแทนของเรา ผู้แทนของเราคือรัฐบาลเป็นผู้บริหารจะให้ถูกจะให้แพงรัฐบาลเป็นผู้ออกเป็นผู้ทํางานเป็นผู้บริหารเป็นผู้ออกกฎหมายเป็นผู้ดูเศรษฐกิจของบ้านเมืองเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนก็คือผู้แทนนี่แหละคันผู้ใดต่อไปผู้ใดจะเป็นผู้แทนก็ต้องคิดหนักระบาดโทไม่ได้แล้วถ้าข้าไม่เป็นผู้นํา ไม่มีความสามารถที่จะเป็นผู้นำเขาได้นะีอโดนแช่ไว้หัวหลังเหมือนกับผู้แทนยุค ก, ก่อนนะั่นแะเขาจะได้กลัวใครจะเป็นผู้นำขึ้นมาต้องคิดหนักละบ้านเนี้ยข้าจะเป็นผู้นาได้ไหมถ้าข้าเป็นผู้นำไม่ได้ข้าจะไม่สมัคร อ, อันนี้สมัครกันเป็นพวนทั้งผัวทั้งเมียทั้งใครต่อใครยกขบวนกันขึ้นมาเป็นผู้แทนแล้วนอนตีพุงเฉยหลวงพ่อว่านะ นี่หลวงพ่ออยู่ในป่าพกโดงพงไผ่นำมาคิดคิดค ด, ดูกับพวกลูกหลานแล้วตรงพ่อไม่น่าจะถูกนะพวกเราไปปิดถนนหนทางนะทำให้เดือดร้อนทุกหัวละแหง่ง เ, เก่าไม่ถูกที่เหมือนกับคันศีษาแล้วไปเก่าฝ่าเท้าลักษณะอย่างนั้นแหะใครเป็นคนต้นเรื่องใครเป็นคนจะดำเนินเรื่องอย่างนี้ได้ ก่อนรัฐบาลรัฐบาลเป็นใครก็ตัวแทนของเราเนะี่ยที่ส่งเข้าไป เ, าเข้าไปเป็นรัฐบาลครับผู้แทนรัษฎรแต่และเขตพื้นที่ใครเราก็รู้อยู่แล้วตัวแทนของเขาเราเป็นใครตัวแทนเขตอำเภอนายูงน้ำโสมบ้านผือนั่เป็นใครที่เป็นตัวแทนของพวกเราเขาทํางานไหมมีปากมีเสียงแทนเราไหมถ้าเราเดือดร้อนะอย่างนี้อไม่ใช่ว่าเราจะไป บีบังคับผู้ว่าผู้ว่าจะมีอะไรผู้ว่าก็อยู่ในจังหวัดผู้แทนรัฐดล อ, อยู่ในกระทรวงอยู่ในสภาผู้แทนออกปากออกเสียงยื่นมืออะไรทุกอย่างลงพ่อว่านะแต่ล้งพ่อก็ไม่อยากจะพูดออกการบ้านการเมืองแต่มันเกี่ยวข้องกันอยู่ถ้าพี่น้องประชาชนขายน้ำยางเข้ามากี่รถ ในสิบยี่สิบบาทลูกหลานผมเี่กม็มีขนมน ม, นมเลยใส่บาตรของพ่ อ, ต ร, พอตรงพ่อก็เดือดร้อนเหมือนกันนะอถ้าลูกหลานรวยาตามความเหมาะสมไม่ใช่รวยขนาดนั้นหรอกอไม่ใช่รวยอู้ฟู่ขนาดอาจนไม่ลืมผม ล, ล, ลืมตาแต่ก็พออยู่ได้อพออยู่ได้ก็น่าจะเพียงพอแต่นี้มันดูดูแล้วมันก็ทําให้เดือดร้อน ไปสักหน่อยขยับขึ้นไปซะรัฐบาลมีส่วนให้คลายก็ว่าไม่ได้ทําการทํางานมิตฉถกเฉียงกันอยู่ในสภาพนพูดใน เ, เรื่องไม่เป็นเรื่องแต่เรื่องปากเรื่องท้องพี่น้องประชาชนห่างเหินไปแต่ลุงพ่อไม่น่าจะถูกนะพูดเกี่ยวข้องน่าจะดูพี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนอะไรไม่ใช่เขาปิดถนนจนไม่มีที่ไปที่มาแล้วจึงค่อยมาคิดกัน ไม่น่าจะถูกหลวงพ่อว่านะเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายนะถ้าใครจะไปปิดถนนอย่าไปปิดกับเขานะถ้าไปปิดถนนหนทางนะเป็นบาปเป็นกรรมติดพบติดชาตินะเกิดพหน้าชาติหน้าไปที่ไหนไมิจะเขาปิดถนนหนทางเจ้าเองจะเดินไปที่ไหนก็ไปไม่ได้เพราะบาปกรรมที่ปิดถนนหนทางให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะ เพราะนั้นอย่าไปปิดถนนไปปิดกะปิปิดนั่นนะรองกรอบผู้หัวหน้านะใครที่เป็นหัวหน้าเป็นตัวแทนของเราแต่ก็จะไปทำร้ายทำลายเขานำบาปก้ามอีกนะเพียงแต่สั่งสอนนั่นเองต่อไปถ้าไม่มีความสามารถอยา่าอย่ามาแสดงเป็นหัวหน้าในเมื่อเป็นหัวหน้าแล้วต้องทำหน้าที่อย่างนี้ เออเหยียบขี้หมาก็เหยียบกรเพื่อนเหยียบน้ำก็เหยียบกรเพื่อนเออจึงจะเป็นหัวหน้าได้ตายตายแทนแทนพวกเราได้เออไม่ใช่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนู่นหลบไปอยู่ทางหลังเท่านัเวลามีผลประโยชน์จะโผล่ไปข้างหน้าอย่างนั้นจะเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำได้อย่างไรหัวหน้าครอบครัวก็เหมือนกันหัวหน้าอาเภอก็เหมือนกันหัวหน้าผู้ใหญ่บ้านกำนันก็เหมือนกันหัวหน้าวัดก็เหมือนกัน ต้องดูแลพี่น้องลูกหลานผู้อยู่ใกล้ใต้บังคับบัญชาเขามีสารทุกข์สุขติดยังไงเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรอันนี้คือหน้าที่ของหัวหน้าหัวหน้าวัดหัวหน้าครอบครัวผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอำเภอผู้วาราชการจังหวัดแหมเขาเมองดูหน้าที่ของตนเองผู้แทนรัษฎรที่เป็นตัวแทนของ พี่น้องราชดอนส่งเข้าไปเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยหลวงพ่อเคยพูดนะเคยพูดบอกเอะมันยุคถึงนี้สมัยนี้แล้วนะ่ะตามไม่จริงกรเกษตรน่าจะเลือกรัฐมนต ร, เรีเกษตรพวกพ่อค้ากันเลือกรัฐมนตรี เรียกว่าผู้แทนของพ่อค้ า, เ, าเรือว่าข้าราชการทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเหล่าก็เลือกอข้าราชการเป็นตัวแทนเข้าไปในสภามันจึงจะถุกอันนี้มันเลือกมั่วกันไปหมดผลที่สุดเนี่ยนะเป็นาชาวกเกษตรชาวบ้านนะ่ยไปเลือกพ่อค้านะีา่ยพ่อเลือกเข้ามากันแล้วนะาขายข้าวขายอะไรกิน หัวราชดอนไปหมดกินหัวพวกเกษตรไปหมดเพราะเหตุหลายเพราะไม่มีการปกป้องเกษตรมันก็ต้องดูแลเกษตรวราคาถูกราคาแพงยังไงยางราคาแพงไงมันราคาแพงเข้าโพดราคายังไงข้าวราคายังไงเป็นเกษตรทั้งหมดขึ้นทะเบียนเกษตรเลยทางพ่อค้านี่ยพ่อค้าทั้งหลายเอาใครจะจดทะเบียนเป็นพ่อค้า ก็ขึ้นทะเบียนเป็นพ่อค้าทั้งหมดขายของชงขายของจำขายนะ้ำมันขายนะ้ำมันแปบลบว่ามาได้เกษตรเนี่ยขึ้นทะเบียนกันเป็นพ่อค้าไปเลยแต่เป็นข้าราชการก็เหมือนปันถ้าเป็นครูเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเป็นอปตก็ขึ้นทะเบียนเป็นข้าราชการไปเลยกินเงินเดือนกินเงินภาษีพี่น้องประชาชนแต่นี้พอเข้าไปบริหารในสภา เ, เกษตรก็ต้องว่าเกษตรของข้าพเจ้า เดือดร้อนอย่าง begging, า น, นั้นเดือดร้อนอย่างนี้ราคาถูกอย่างนั <fe its out> ้นข้าวไปเจ้าจะดองเดินไปขายติดต่อต่างประเทศอย่างงุ่นอย่างนี้ทีนี้ทางข้าราชการกันพ่อค้าเอาข้าวไปเจ้าสร้างถนนทางถนนพวกข้าราชการกินหัวคิวได้ยังไงมันทําไม่ถูกข้าราชการกินหัวคิวของพ่อค้า อย่างนี้เป็นต้นนะหลวงพ่อว่าคล้ายๆว่าใครก็ปกป้องของใครของเราถ้าการบริหารอย่างนี้หลวงพ่อว่า <g üler> เกษตรก็คุ้มครองกรเกษตรรัฐการก็คุ้มครองขรรตการพ่อค้าก็คุมครองพ่อค้าถ้าบริหารอย่างนี้หลวงพ่อว่า <g üler> เพลิเพลิอย่างฝ่ายพระสงฆ์ก็เป็นฝ่ายนักพจนนักบวชคเนี้เป็นกลุ่มของนักพจนักบวชปกป้องตัวเองอีกเหมือนกัน ใครจะพูดอะไรใครจะทำอะไรคณะสงฆ์ก็ต้องมีทีมอีกเหมือนกันมหาเถระสมาคมก็ดูควบคุมดูแลลูกน้องพระสงฆ์คนตนเองใครออกนอกหลู่นอกทางผิดหลักพระธรรมวินัยก็ต้องดูกันเองต่างคนก็ต่างดูของใครของเราปกป้องกลุ่มของใครของเราถ้ามันผิดมันถู ก, กรู้เอากฎหมายบ้านเมืองออกมาว่ากันไงถ้าเป็นอย่างนั้นได้หลวงพ่อว่าจะดีไห อันนี้หลวงพ่ออาจจะพูดนอกลูกนอกทางไปสักหน่อยแต่มันอดไม่ได้เพราะเราก็อยู่ในชุมชนสังคมอยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้นูน่นตำหนิคนนั้นตำหนิคนนีน้มันไม่ใช่เรื่องที่จะตำหนเิเพอเพ้อตำหนิ ป, ปู่ย่าตายายของตนเองอีกทํำยังไงท่านอายุมากแล้วแก่แล้วจะเป็นตำหนิท่านได้ยังไงมาถึงยุค ข, ของเราเนี่ยขาสองแขนสองสมองหนึ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ท่านมอบให้เราแล้วทำไมเราจึงไม่คิดจัดคิดทำให้มันดีขึ้นในยุคของเราเราทำไมจะไปหาตำหนิปู่ย่าตายายท่านหามรดกมรดกไว้ให้เรานันก็น่าจะเพียงพอแล้วเราจ ะ, จะไปตำหนิท่านทำไมตำหนิพวกเราเนี่ยทำไมทำไมไม่หาของทำไมไม่เอาไปของไปขายทำไมไม่พัฒนาตนเอง ดูตันเองจะไปดูคนอื่นถ้าดูคนอื่นไม่มีที่สิ้นจุดอหลวงพ่อวานนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดอีกแนวหนึ่งนะเออไม่ใช่ ว, ว่าหลวงพ่ออยู่ป่าอยู่ตรงก็ไม่มีความคิดน่ะคิดแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะคิดคิดถึงพวกเราเหมือนกันนะฮไปทะเลาะกันยางราคาไม่ได้ยางราคาถูกข้าวราคาถูกมันสำปะหังราคาถูกข้าวโพดราคาถูกฮ ไปปิดถนนมันไม่ถูกหลวงพ่อว่านะต้องไปทำความเข้าใจกับผู้แทนตัวแทนของเรามันจึงจะถูกนะเหมือนกับเราคันบนศีษัแล้วไปเกาฝ่าเท้าอย่างนั้นละ่ะมันเกาไม่ผิดที่ผิดทางมันก็ไม่หายคันเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะ <c oughs> เอารับพรเถอะนี่